ล้อรกรรมมักจะหมุนไปตามล้อเกวียนนะคะกงกรรมกงเกวียนคํานี้ยังคงเป็นอมาตะวาจาของพุทธพจน์เสมอมาค่ะเรื่องราวของคนดีเรื่องราวของคนที่มีจิตใจเอื้ออารีหรือว่ามีเมตตาก็ย่อมมีความสุขในสำปรายาภพแต่ว่าเรื่องราวของคนที่ตรนีขี้เหนียวไร้เมตตาไร้ซึ่งคุณงามความดีก็ย่อมมีทุกขติยภูมิเป็นที่ตั้งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเปรตยายแสง เรื่องมีว่าวัดในหมู่บ้านนี้เป็นวัดป่าแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะต้องมีเรื่องลี้ลับมากมายแต่ก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นที่เรื่องลือกันจนปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องเองเปรตยายแสงในวัดนี่จะมีต้นตาลอายุหลาย10ปีค่ะที่เก่าแก่มากอยู่หลายต้นแต่ว่าจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มีเครื่องเส้นไหว้เต็มไปหมด แม่เล่าให้ฟังนะฮะว่ายายแสงแกเป็นคนที่ขี้เหนียวมากชนิดที่ว่าแค่ต้นหญ้าในรั้วบ้านแกแกก็หวงค่ะแกเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะในสมัยนั้นนะคะเพราะว่าบ้านแกเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกที่มีโทรทัศน์หรือว่าสมัยนั้นแม่บอกว่าเขาเรียกว่าวิทยุภาพแกก็หวงของแกค่ะไม่เคยแบ่งปันให้ใครได้ดูด้วยหวงทุกอย่างที่เป็นของของแกน้ําก็ไม่ให้ใครกินแกอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าผัวแกเพิ่งจะตายไปไม่นานแม่บอกว่า ผัวของแกตายแกยังไม่นิมนต์พระมาเลยแกบอกเปลืองแกไม่ยอมทาบุญทำทานก็คิดว่าการทำบุญไม่จำเป็นแกด่าทุกคนคนแกพระเด็กหมาด่าหมดออกแนวเยปิกเรื่องหลวงพี่หลวงพี่กับผีขนุนน่นะคะแต่ว่าแกหนักกว่านั้นค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยแกคงอยากจะกินขนมตาลละมั้งคะแกก็เลยไปค่ะไปหาลูกตาลมาทำขนม แต่ก็ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรของแกอยู่แกมุ่งหน้าไปที่วัดค่ะซึ่งตอนนั้นต้นตาลยังคงไม่สูงมากแกก็เอาไม้สอยเลยไม่สนใจเลยว่าพระจะยืนกวาดลานอยู่พอได้สมใจแล้วแกก็กลับบ้านหน้าตาเฉยที่รู้เพราะว่าตอนนั้นเป็นวันที่ชาวบ้านมาปฏิบัติธรรมกันที่วัดสมัยยายสาวๆยายก็ไป ชาวบ้านที่เห็น ท, ที่วัดเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมก็เห็นกันหมดก็พูดอะไรไม่ได้ก็คงจะเอื่อมระอากันนะคะทั้งทางที่ทุกคนก็รู้ว่าแกทำขนมตาลแต่ก็ไม่มีใครได้กินเลยมีคนบอกว่าให้แกเอาไปถวายวัดบ้างเพราะว่าเอาลูกตาลมาจากวัดแกด่ากระดาเลยค่ะหลบกันแทบไม่ทัน แต่อยู่มาไม่นานแกเกิดล้มป่วยลงก็ไม่มีใครรู้ว่าแกป่วยเป็นอะไรเพราะว่าป้าของยายเนี่ยเข้าไปดูใจก็กลัวแกจะไล่กระเจิงออกมาแต่ว่ายังไม่ยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันก็เลยเข้าไปดูสภาพของแกหน่อยสภาพที่เห็นคือยายแสงนอนโซมมากค่ะเหมือนไม่ได้กินข้าวแกเห็นป้าของยายแสงนะคะแกไม่ด่าค่ะแกบอกว่าหิวน้าเอาน้าให้กินหน่อยยายกตักน้ำมาให้กิน ยายบุญแกมาเล่าให้ยายฟังทีหลังว่าในครัวยายแสงเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดมีทุกอย่างหลังจากที่ตักน้ํามายายบุญก็ค่อยๆพยุงยายแสงขึ้นเพื่อจะให้กินน้ำํำยายแสงกินเข้าไปได้อึดเดียวก็บ้วนทิ้งด่ายายบุญอีกว่าเอาแกลบมาให้แกกินยายบุญก็งงนะคะว่าในมือนี่ก็คือน้ําขันน้ํานะน้ําใสเย็นเชียวทำไมถึงว่าแกเอาแกลบมาให้กินยายแสงก็ไล่ยา ย, ยบุญออกจากบ้านแถมยังพูดว่าอย่าขโมยของของกูนะมึงกจับได้กูเอาตายแนะ่ ได้ยินแบบนั้นด้วยความโมโหค่ะเยะบุญก็เลยพูดกลับไปบอกจะตายหาอยู่แล้วยังไม่เลิกหวงของอีกทาบุญบ้างเถอะอีแสงตายไปเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแดกหาหรอกเยอแสงสวนกลับค่ะตายไปของกินกูก็มีเยอะแยะทําทําไมบุญทานทําไปก็ไม่ถึงกูหรอกพระแดกหมดเยบุญโมโหค่ะพูดต่อว่าขี้กาศจะแดกปากมึงตายไปเดี๋ยวเป็นเปรตเยอแสงตอบกลับเออกูไม่กลัวหรอก ตายไปกูก็จะเป็นเปรตอยู่ที่วัดนี่แหละคอยขวางพวกมึงออกไปเยบุญรีบออกจากบ้านค่ะมาที่บ้านของเจ้าของเรื่องที่เล่าเรื่องนี้แล้วก็เล่าให้ยายฟังเงยบุญยังพูดต่อนะบอกว่าแหมฉัละโมโหมันจริงๆอุตส่าห์เข้าไปดูแท้ๆคอยดูเถอะมันตายเนี่ยจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณบู้ฟังก็ไม่มีใครเห็นยายแสงอีกเลยจนชาวบ้านสงสัยก็เลยไปดูที่บ้านแค่เข้าไปใกล้บริเวณบ้านแค่นั้นแหละนะคะกลิ่นเหม็นคลุ้งเต็มไปหมด พอเข้าไปในตัวบ้านก็ไม่เจอยายแสงก็เลยเดินตามหากันทั่วบ้านจนไปเจอยายแสงเนี่ยนอนตายอยู่ในห้องครัวค่ะเมื่อชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็รีบไปตามสับปะเลอมาทาศพยายแสงเพื่อที่จะเอาไปทำพิธีเมื่อสับปะเลอมาถึงนะคะก็ทำพิธีหลายขั้นตอนตอนที่มัตราสังก็ปกติทุกอย่าง แต่ตอนที่จะเคลื่อนศพออกจากบ้านค่ะมือที่มัดตราสั่งไว้เกิดหลุดค่ะก็เลยต้องทําการมัดใหม่เป็นอยู่แบบนี้ประมาณสองสามรอบจนสับปเะเวททนไม่ไหวก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะจะเผาอยู่ที่นี่แหละเผามันทั้งบ้านนี่แหละพูดจบกลิ่นมาเลยค่ะจากที่เหม็นแล้วคราวนี้เหม็นหนักกว่าเดิมจนชาวบ้านที่ยกศพเนี่ยทนไม่ไหววางศพแล้วก็วิ่งออกไปอ้วกกันสับประเวตก็ไปนิมนต์หลวงพ่อที่วัดให้มาช่วยนําศพออกจากบ้าน หลวงพ่อมาถึงก็สวดบทอะไรสักอย่างแล้วพูดส่งท้ายบอกว่าอาตมาช่วยได้แค่นี้นะโยมแสงต่อไปคงต้องแล้วแต่เวรแต่กรรมที่สร้างมานะแล้วชาวบ้านก็เอาศพออกจากบ้านได้ตามปกตินะคะเมื่อไปถึงที่วัดก็จัดพิธีทำศพแบบตามมีตามเกิดเพราะว่าสมบัติของแกเนี่ยมีเยอะแต่ว่าไม่เคยแบ่งปันให้ใครค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแกเอาไปไว้ไหนบ้างเพราะให้คนในหมู่บ้านไปหาดูที่บ้านก็ไม่เจอของมีค่าอะไร งานศพจัดยังไงอันนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้เล่าถึงรายละเอียดตรงนั้นรู้แค่ว่าวันที่เผาศพเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเขาจะเรียกเผาแบบเชิงตะกรหรือว่าบนกองฟอนนี่แหละตอนที่ไฟกําลังไหม้ร่างเยนแสงอยู่ดีๆค่ะชาวบ้านได้ยินเสียงคนกรีดร้องขึ้นยายเล่าให้แม่ฟังว่าได้ยินกันทั้งหมู่บ้านขนาดยายนั่งอยู่ที่บ้านยังได้ยินเลยเสียงกรีดร้องที่แหลมเนี่ยมากเลยนะคะคือแหลมมากเหมือนทอรมานดังอยู่ประมาณ 3- าสี่ครั้งแล้วก็เงียบไป แต่ว่าพอตกกลางคืนค่ะจะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะบริเวณวัดจะได้ยินชัดเจนมากชาวบ้านต่างก็พากันกลัวล่ะทีนี้ก็เลยไปหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่แหละโยมผลของการทำความไม่ดีคิดไม่ดีตอนนี้โยมแสงก็จะรับผลกรรมที่ตัวเองก่อแล้วหลวงพ่อพูดขึ้นมาแบบนี้ชาวบ้านยิ่งกลัวกันใหญ่ค่ะเพราะว่าปกติยายแสงเป็นคนที่น่ากลัวอยู่แล้วนี่ตายไปแล้วนะคะยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่ ยายเล่าว่าตอนนั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยค่ะเพราะว่าปกติเคยไปไร่ไปนากลับมามืดมืดค่ำค่ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินก็กลับแล้วเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งไปนอนที่เถียงนาซึ่งนางเขาติดกับวัดแล้วก็เถียงนาก็อยู่ไม่ไกลาจากวัดระหว่างที่กำลังนอนอยู่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวคือมันยยบยาบยบยาบก็เลยลืมตาดู เห็นเป็นขาเหี่ยวๆดำๆใหญ่ๆเดินก้าวข้ามเถียงนาแล้วก็เดินไปตาคนนั้นตกใจค่ะได้แต่พนมมือนั่งสวดมนต์เพราะว่าคิดว่าโดนแน่ๆแล้วสักพักหนึ่งเสียงเงียบไปแต่พอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะใบหน้าทั้งใหญ่ทั้งดำทั้งเหี่ยวยน่นมีกลิ่นเหม็นก้มลงมาจ้องหน้าเขาอยู่คิดภาพคนตัวสูงๆใหญ่ๆเนะะี่ะเหมือนยักษ์ก้มลงมามองอะไรเล็กๆนะะี่ะแบบนั้นคุณลุงคนนี้เนี่ยสติแตกค่ะวิ่ง ออกจากทุ่งนาออกจากเถียงนาตะโกนออกมาจากทุ่งนาเข้าไปในหมู่บ้านบอกเปรตยยแสงเล่นกูแล้วเปรตยยแสงเล่นกูแล้วระหว่างนั้นก็หันไปมองว่าจะมีผีย้ยแสงตามมาไหมก็เห็นเยแสงเนี่ยเดินหายเข้าไปที่ต้นตานวัดแค่นั้นแหละนะคะวิ่งไม่คิดชีวิตเลยละค่ะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะยิ่งทาให้ชาวบ้านกลัวกันเข้าไปใหญ่ ตาคนนั้นก็ไม่สบายเลยละ่ะถ้าจําไม่ผิดสมัยนะั้นเขาจะเรียกว่าจับไข้หัวโกรนแล้วก็อีกหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันก็คือเห็นผี e เปรตแยแสงเนี่ยเดินหายเข้าไปในต้นตาลก็เลยมีการนําเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ต้นตาลต้นนั้นพอเวลาผ่านไปเรื่องเปรตแยแสงเริ่มซาค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นวันอาสาฬหะบูชาซึ่งทุกคนก็ไปเวียนเทียนกั น, กนที่วัดตามปกติเด็กผู้ชายคนนึงอายุประมาณ1ิบเปปีมาจากกรุงเทพค่ะ แม่ได้ยินเขาพูดกับเพื่อนในหมู่บ้านบอกเฮ้ยพวกเองอยากเจอเปรตไหมถ้ามีวิธีเขาเอาข้าวต้มข้าวต้มหมัดเนี่ยนะออกมาจากถุงแล้วก็เอาเชือกผูกไว้ที่เอวแล้วพูดต่อว่าข้ารู้มาว่าถ้าทำแบบนี้แล้ววิ่งรอบโบสถ์สวน ก, นกันกับคนที่กำลังเวียนเทียนเราจะเห็นผีเปรตมันจะมาเอาข้าวต้มเราพวกเองอยากเห็นไหม วยรุ่นทุกคนในหมู่บ้านต่างได้ยินประวัติของเปรตที่วัดแห่งนี้มาทั้งนั้นก็เลยไม่มีใครกล้าค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้หยุดนะคะพูดจ้อขึ้นมาอีกโธไอ้พวกปอดแหกเดี๋ยวข้าจะทําให้ดูระหว่างที่แม่กับยายแล้วก็ชาว บ, บ้านวียนเทียนอยู่เด็กผู้ชายวัยรุ่นคนนี้เนี่ยก็เลยวิ่งรอบโบสถ์เลยวิ่งสวนทางแม่ไปสักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องบอกว่าร้องเสียงหลงเลยนะคะแล้ววิ่งรอบวัดเหมือนหาทางออกไม่เจอวิ่งวนอยู่ในวัดชาว บ, บ้านก็เลยช่วยกันจับตัว เพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อจับตัวเขาได้แล้วเขาก็พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่างเดียวแม่กับยายมองหน้ากันแล้วเดินกลับบ้านรุ่งเช้าก็ไปทําบุญที่วัดกันปกติในสาราวัดนี่ชาวบ้านก็พูดถึงเรื่องเมื่อคืนค่ะแบบไม่หยุดปากของผู้ชายคนคนนั้นนะคะซึ่งยายของผู้ชายคนนั้นเล่าให้ฟังว่า หลานฉันมันบอกว่าตอนที่วิ่งเสร็จมันไปยืนอยู่หน้าโบสมันเห็นคนตัวสูงสูงก้มหน้ามาแล้วส่งเสียงร้องวีดใส่หน้ามันแล้วมันก็เริ่มวิ่งแต่มันวิ่งไปทางไหนก็เจอแต่คนสูงใหญ่ก้มหน้าแล้วร้องวีดใส่ตลอดแล้วผู้ชายคนนั้นก็เหมือนคนเสียสติไปเลยนะคะจะวาบระแวงทุกครั้งเวลาเดินผ่านวัดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าลองดีอีกเลยด้วยความสงสัยก็เลยถามแม่กลับไปบอกแล้วบ้านยายแสงและแม่กคอยู่ แม่บอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านยายแสงเลยแค่เข้าไปใกล้ๆนะเหม็นคลุงไปหมดแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะบ้านยายแสงก็ยังคงอยู่เป็นบ้านไม้ที่มีสภาพเก่าไปตามการเวลามีป่ารกขึ้นทึบแทบมองไม่เห็นตัวบ้านเลยแหละค่ะอยู่ท้ายหมู่บ้านแต่ว่ามีทางลึกเข้าไปอีกแล้วก็มีผู้คนสัญจรไปมาเพราะว่า เรื่องมันนานมาแล้วก็เลยคนไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าปัจจุบันต้นตานก็ยังคงอยู่นะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานก็มีการบูรณะวัดมานักต่อนักแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือยังคงเดิมก็คือต้นตาลที่ที่เป็นที่อยู่ของเปรตเยแสงแล้วก็เชื่อนะคะว่ายยแสงก็ยังคงชดใช้เวรกรรมอยู่แบบนั้นดังที่เคยพูดไว้ว่ากูไม่กลัวหรอกตายไปกูก็จะไปเป็นเปรตคอยขวางพวกมึงอยู่ที่วัดนี่แหละ มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเ ร, รเรื่องราวของสองทหารเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปอยู่ดูแลบ้านหลังหนึ่งเราก็ได้เจอกับเรื่องราวชวนคนหัวลุกเพราะว่าบ้านหลังนี้นี่เฮี้ยนมากๆค่ะถึงขนาดสารพระภูมิเจ้าที่ก็ยังเอาไม่อยู่แล้วก็ประวัติของที่นี่จะดุสุดๆแค่ไหนคุณผู้ฟังห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะมีเองก็ขออนุญาตนําเรื่องนี้มาจากกระทู้ในพันทิปค่ะที่บอกว่า2ทหารเกณฑ์นี่โดนผีหลอกนะคะ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงแถวภาคอีสานค่ะเมื่อประมาณปีสี่ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นคุณดิวก็ยังคงเป็นทหารอยู่หลังจากฝึกเสร็จก็ได้มีการขึ้นกองร้อยจนผ่านมาประมาณสองเดือนคุณดิวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในทหารรับใช้ของนายทหารท่านหนึ่งวันที่ไปรายงานตัว ก็ได้มีคําสั่งลงมานะคะว่าให้ไปดูแลแล้วก็ทําความสะอาดบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปจากค่ายซึ่งจ่าจะเป็นคนขับรถไปส่งถึงหน้าบ้านแต่เมื่อขับมาถึงปากซอยค่ะจ่าหักรถเข้าชิดข้างทางแล้วก็จอดจากนั้นก็หยิบกระดาษขึ้นมาเขียนอะไรสักอย่างลงไปคุณดิวกับเพื่อนที่อยู่ในอาการงงๆก็ไม่กล้าถามอะไรออกไปนะคะครูต่อมาจากก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้แล้วก็พูดว่าอ่ะนี่แผนที่ เมื่อคุณดิวรับมาดูก็ต้องอุทานออกมาบาๆบอกโอ้โหจากที่แผนที่บ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากจุดที่คุณดิวอยู่ตอนนี้ประมาณ2กิโลค่ะซึ่งลึกเข้าไปในซอยคุณดิวกับเพื่อนเดินเข้าไปในซอยสองคนสองข้างทางนี้ก็เป็นสวนสลับกันกันกบป่าแทบจะไม่มีบ้านเรือนอยู่เลยจนมาถึงหน้าบ้านของนายทหารวินาทีที่คุณดิวเห็นตัวบ้านมันรู้สึกล่วงใจมันร่วงลงไปอยู่ตาตุ่มนะคะ เย็นสันหลังวาบค่ะขนลุกตั้งชันเลยเป็นลักษณะบ้านไมยกสูงโบายกพื้นสูงทรงโบราณหลังใหญ่แล้วก็สภาพเก่าพอสมควรนะคะบริเวณ ร, บรอบๆบ้านนี้เป็นสนามหญ้าโลง่งๆมีต้นไม้ใหญ่เพียงไม่กี่ต้นถัดออกไปนอกเขตบริเวณก็จะเป็นป่ารกนะคะเมื่อมองจากหน้าบ้านห้องน้ำจะอยู่ใต้ถุนบ้านฝั่งซ้ายมือจะเป็นโรงเก็บของอยู่ติดๆกับตัวบ้านค่ะคุณดีวกับเพื่อนก็เลยเดินขึ้นบนบันไดบ้าน อยู่หน้าบ้านไปชั้นบนเสียงขั้นบันไดลั่นดังแอดแอดเลยเนะีเป็นบันไดไม้คงจะเป็นเพราะว่าอายุมันมากโขแล้วพอสมควรก็เลยมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูบ้านค่ะมียันแดงแดงแตะอยู่ด้วยนะเหนือประตูเนี่ยแผ่นหนึ่งเก่าจนอยากแยกจับระยงระยางดูๆแล้วก็ให้ความรู้สึกเข้มขลังดีเหมือนกันที่ประตูเนี่ยก็มีโซ่เส้นใหญ่คล้องไว้กับวงกบประตูคุณเดียวไขกุญแจแล้วก็ผลักประตูบานไม้เก่าเข้าไปค่ะ เสียงดังแอดเลยนะคะมีกลิ่นอับจางๆลอยฟุ้งไปทั่วอาจจะเป็นกลิ่นของเนื้อไม้ที่เก่ามากแล้วแล้วก็ในตัวบ้านก็เป็นลานกว้างมีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นอยู่ครบถ้วนค่ะด้านซ้ายขวาแล้วก็หน้าก็จะเป็นห้องโถงที่ถูกโซ่คล้องไว้คุณดีวกับเพื่อนช่วยกันทําความสะอาดบนเรือนจนเสร็จแล้วก็ออกไปหาอะไรทานข้างนอกกลับเข้ามาอีกทีนึงก็เป็นเวลาทุ่มกว่า เมื่อเดินมาถึงตัวบ้านในเวลากลางคืนเช่นนั้นนะคะบรรยากาศมันช่างแตกต่างกับตอนกลางวันอย่างลิบลับบ้านไม้หลังใหญ่ดูมืดทึบอึมครึมหน้าขนลุกรอบๆ บ, บ้านนี่ดูเงียบเชียบแล้วก็วังเวงคุณดิวก็นึกโกรธตัวเองค่ะที่กลับเข้าบ้านในเวลามืดค่ําแบบนี้น่าจะเปิดไฟทิ้งไว้สักดวงสองดวงก่อนออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ได้แต่ขมใจแล้วก็เดินเข้าไปในตัวบ้านเมื่อ อ, อาบน้ําเสร็จแล้วก็ช่วยกันลากฝูงอ่าลากฟูกนะคะมานอนตรงลันโล่งหน้าทีวี คุณดิวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกก็ไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นเวลากี่โมงก็ยังแปลกใจกับตัวเองว่าจะลืมตาตื่นขึ้นมาทําไมก็เลยข่มตานอนต่อระหว่างนั้นได้ยินเสียงเพื่อนกรนเบาๆจนใกล้จะเคลิ้มหลับแต่ก็มีบางอย่างดึงสติคุณดิวให้กลับมาลักษณะนะคะเสียงมันเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าพื้นไม้มันลั่นเบาๆดังแอดแอนะคะคุณดิวก็พงกหัวขึ้นมาดูด้วยความแปลกใจแต่ก็มองไม่เห็นอะไร ะะมองอะไรไม่ออกเพราะว่ามันมืดซะจนมองตัวเองก็ไม่เห็นด้วยทีน่นี้ในใจก็คิดว่าหูคงฝาดไปแล้วละ่ะเพราะจําได้ว่าตัวเองเป็นคนล็อกประตูหน้าบ้านกับมือสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็หายไปจนคุณดิวคิดนะคะว่าตัวเองคงจะหูฝาดแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อ ในคืนต่อมาค่ะคุณดิวกับเพื่อนเปิดไฟนอนเวลาประมาณห้าทุ่มแต่ว่าคุณดิวเองกลับนอนไม่หลับค่ะจนเวลาล่วงมาประมาณตีหนึ่งกว่าหูก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคุณดิวพยายามตั้งใจฟังมันคล้ายเสียงคนเคาะประตูเบาๆแบบประมาณนี้นะคะคุณดิวก็คิดในใจว่าเอ๊ะใครมาเคาะประตูหน้าบ้านเวลาแบบนี้แต่ว่าพอตั้งใจฟังไปเรื่อยๆนะคะเสียงมันก็ ค่อยๆเคาะเลื่อนไปตามข้างฝาบ้านจากประตูเลื่อนไปตามข้างฝาบ้านจนรอบบ้านแล้วกลับมาเคาะหน้าประตูเหมือนเดิมคุณดิวขนลุกไปทั้งตัวค่ะคิดในใจว่ารอบรอ บ, บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีระเบียงให้ยืนแล้วไปเคาะได้ยังไงถ้าจะมีคนเคาะแบบนั้นก็ต้องเป็นคนที่มือยาวกว่า3เมตรหรือขายาวมากๆแต่ถ้ามีจริงมันก็คงไม่ใช่คนคุณดิวก็ ยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้จิตตกรเรื่อยๆค่ะก็พยายามใช้เท้าเขี่ยเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆยังไงมันก็ไม่ยอมตื่นเอาแต่นอนกรนตั้งแต่ปิดไฟหรืออาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้ท่านอาจจะแค่มาเตือนเพราะว่าตั้งแต่ที่คุณดิวเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยยังไม่ได้ไว่าเจ้าที่เลยแต่ยังไงซะนอนมืดๆแบบนี้มันหลอนเกินไปเมื่อคิดได้แบบนั้นก็เลยลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปกดสวิตช์ไฟที่อยู่ตรงเสากลางบ้านแต่ว่าพอเดินไปใกล้จะถึงห่างจากเสาประมาณ2อก้าค่ะคุณดิวสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง อยู่แถวแถวเสากลางบ้านก็เลยได้ลองเพ่งสายตาดูดีๆก็พอจะมองออกว่ามันคือผู้ชายกำลังนั่งพิงเสาโดยหันข้างให้ใส่เสื้อสีเขียวค่ะภาพที่เห็นมันทำให้คุณดิวรู้สึกเย็นวูบวาบเหมือนคนกำลังจะเป็นไข้นะคะตัวแข็งก้าวขาไม่ออกเพราะความกลัวลมหายใจขาดเป็นช่งชวงๆคล้ายคนใกล้จะเป็นลม ได้แต่ยืนจ้องสิ่งนั้นอยู่นานพอสมควรค่ะแต่ก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองว่าเอออาจจะมองผิดไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันมืดมากยากที่จะมองอะไรออกแต่กลับมีเสียงเหมือนคนหายใจหอบเบาๆหลุดออกมาจากผู้ชายคนนั้นเสียงแบบฟืดฟืดนะคะสักพักร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปทีละนิดทีละนิด คุณดิวรีบดึงสติให้กลับมาเอื้อมมือไปกดสวิตไฟหลอดนีออนเก่าๆกระพิบอยู่ประมาณ 2-3 งถึทีพร้อมเปล่งเสียงแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างช็อตอยู่ข้างในก่อนที่มันจะส่องสว่างให้กับลานกว้างนี้คุณดิยวยืนมองซ้ายขวาด้วยอาการตัวสรรั่นหาผู้ชายตัวคนนั้นอยู่ครู่ใหญ่ก็คิดในใจว่าเอ๊ะเป็นใครกันแน่เจ้าที่หรือผีแต่โงก็อาจจะเป็นไปได้เคยได้ยินเหมือนกันว่าบ้านไม่มีคนอยู่มานา น, านๆหรือว่าอาจจะมีผีหรือวิ ญ, ญญาณเร่ร่อนเข้ามาสิงสถิต สรุปว่าคืนนั้นคุณดิวต้องต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนค่ะเริ่มไม่ไว้ใจอะไรร อ, รอบๆตัวแล้ววันรุ่งขึ้นคุณดิยวยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังกลัวเพื่อนแล้วก็อ่ากลัวเพื่อนจะว่าดิวเนี่ยขี้คลาดกลัวผีจนจิตหลอนไปเองพอตกกลางคืนค่ะคุณดิวก็เลยกินยาแก้แพ้อากาศไป3เม็ดกาะให้หัวถึงหมอนแล้วหลับสนิทเลยแล้วก็ได้หลับจริงๆค่ะแต่คนที่ซวยในคืนนั้นกลับเป็นเพื่อนซะเอง รุ่งเช้าเพื่อนมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ปิดไฟเพื่อนเสียบหูฟังแล้วนอนดูหนังในมือถือจนประมาณเที่ยงคืนเกิดรู้สึกคอแห้งหิวน้ำก็เลยเดินไปกินน้ำในกระติกที่วางอยู่ข้างทีวีจังหวะหันตัวกลับค่ะปรากฏว่าเจอเข้ากับผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องยืนอยู่กลางบ้านเพื่อนถึงกับหยุดชะงักยืนอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงนั้น เป็นผู้หญิงจริงๆค่ะผมยาวแต่ว่าใบหน้าและลําตัวนี่ดํามากเหมือนกับว่าเอาขี้อเอาขี้ขมเหล่ามาทาอย่างไงอย่างนั้นนะคะเห็นเพียงแค่ลูกตาอ่า ล, ลูกกระตาโตๆสีขาวขุ่นที่จ้องมองเพื่อนปานจะกินเลือดกินเนื้อกันให้ได้เธ <c oughs> อคนนั้นยกมือขึ้นแล้วชี้หน้าพร้อมกับพูดเสียงเย็นๆดุดันบอกที่นี่ของกูออกไปเพื่อนคิดในใจว่าเกิดเป็นชายชาติทหารอกสามซอกจะกลัวอะไรกับผู้หญิงถึงจะเป็นผีก็เถอะ เคยสาบบทสาบานไว้แล้วว่าจะไม่กลัวผู้หญิงคนไหนนอกจากแม่กับเมียเพื่อนก็เลยยืนนิ่งคุมเชิงไว้ก่อนแต่ก็ระวังตัวในเวลาเดียวกันด้วยนะคะสักพักใหญ่ๆเธอคนนั้นก็หายไปเพื่อนก็เหมือนกับก่อนหน้านี้แหละค่ะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณดิวก็ได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนก็เลยกดมือถือโทรหาจ่าทันทีบอกจ่าพวกผมอยู่ไม่ได้แล้วนะนี่ขนาดแค่สามคืนเองรู้หรือเปล่าพวกผมเจออะไรบ้าง เฮ้ยพวกเองคิดไปเองปาวะอ้าวจ่างั้นจ่ามานอนกับผมไหมละ่ะเออเอาเอ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวกูจะนิมนต์พระไปตั้งสารพระภูมิให้ก็แล้วกันจากวันนั้นค่ะคุณดิวกับเพื่อนก็ได้กลับไป น, นอนที่กองร้อยก่อนแล้วก็ในระหว่างนั้นจ่า ก, ก็ได้นิมนต์พระมาตั้งสารพระภูมิให้แก่บ้านหลังนี้เมื่อเสร็จแล้วจ่าก็ให้คุณดิวกับเพื่อนเข้ามาดูแลบ้านหลังนี้อีกครั้งตอนที่กลับมาบ้านหลังนี้คุณดิวรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะนะคะที่เห็นสารพระภูมิตั้งอยู่กลาลาาาางนนนหญ้ห้บ เวลาประมาณสามทุ่มในคืนเดียวกันคุณดิวเดินลงมาเข้าห้องน้ําที่ใต้ถุนบ้านในจังหวะกําลังนั่งปวดทุกอยู่คุณดิวได้ยินเสียงดังแอดเบาๆคล้ายกับมีคนเดินไปมาอยู่บนบ้านค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณดิวก็ได้ยินเสียงเพื่อนคุยโทรศัพท์อยู่แถวๆหน้าบ้านทําให้รู้สึกเอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะงั้นใครที่เดินอยู่บนบ้านก็เลยลองมองขึ้นไปดูแผ่นไม้กระดานมันไม่ได้ชิดติดกันมากนะักก็เลยพอมองเห็นนะคะผ่านซี่ของไม้ปรากฏว่า คุณดิวเห็นเหมือนมีเงาของใครสักคนยังเดินวนเวียนอยู่ด้านบนคุณดิวก็พยายามคิดไปด้วยว่าเอ๊ะห้องที่อยู่ตรงกับห้องน้ํามันน่าจะเป็นห้องนอนที่อยู่ทางฝั่งหลังของบ้านหรือก็คือหลังทีวีซึ่งห้องนั้นเนี่ยมันมีโซ่คล้องไว้อยู่แล้วนี่ไม่น่าจะมีใครเข้าไปข้างในได้ไม่เช่นนั้นคนที่เดินไปมาอยู่บนนี้ก็ต้องใช้ห้อง น, นี้มาตั้งแต่แรกแล้วคุณดิวก็เลยรีบก้มหน้าลงทันทีค่ะ ความกลัวความหวาดระแวงก็เริ่มโหมเข้ามาใส่อีกครั้งหนึ่งก็พยายามเร่งรีบทำธุระของตัวเองให้เสร็จแต่ว่าระหว่างนั้นมีเสียงเดินบนบ้านนี่มันก็เงียบหายไปทําให้คุณดิวหยุดชะงักไปด้วยหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอีกแล้ว่คิดแนใจว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่อยู่ด้านบนถึงมาหยุดเดินหรือมันรู้ว่าเราอยู่ในห้องน้ําข้างล่างงั้นตอนนี้มันคงกําลัง ม, งมองลอดซี่ไม้ลงมาดูเราแน่ๆยิ่งคิดยิ่งแทบบ้าคุณดิวรีบทำธุระให้เสร็จแล้ววิ่งพรวดพลาดออกจากห้องน้ําทันที แต่ว่าคืนนั้นคุณดิวกับเพื่อนก็ไม่ได้พบเจออะไรแปลกๆนะคะวันต่อมาค่ะหลังจากกินข้าวกันอาบน้ําเสร็จแล้วคุณดิวก็มานอนเล่นมือถือบนฟูกหน้าทีวีปกติจนเวลาล่วงมาถึงห้าทุ่มหูของคุณดิวก็ได้ยินเสียงดังเพลาะตุบลักษณะเหมือนอะไรบางอย่างแตกคุณดิวก็เลยหยุดฟังแต่ว่าเสียงนั้นมันมันไม่ได้ไม่ได้ดังขึ้นอีกนะคะด้วยความสงสัย คุณดิวกับเพื่อนเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาหาที่มาของเสียงเอ้ยเหมือนมันดังมาจากแถวแถวหน้าบ้านก็เลยลองเดินออกไปดูก็ต้องใจหายด้วยความมึนงงค่ะทาถมเข้ามาใส่เรื่อยๆเพราะว่าสารพระภูมิที่เพิ่งจะตั้งไปไม่กี่วันเนี่ยล้มกองอยู่กับพื้นเหมือนกับว่าโดนอะไรสักอย่างชนหรือคนมาดันให้ล้มคุณดิวหันไปบอกกับเพื่อนทันทีบอกเฮ้ย <c oughs> hey, ถ้าจะไม่ดีละคืนนี้เปิดไฟนอนคืออีกคืนแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ในคืนนั้นนะคะ คุณดิวก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาเคาะอยู่รอบบ้านแต่ว่าคราวนี้มีเสียงผู้ชายหัวเราะไปด้วยหัวเราะแบบฮึ่มฮึมฮึ่จับจุดไม่ได้ว่าเสียงมาจากไหนคุณดิวก็นอนตัวแข็งเท่อคิดจะเอาเท้าเขี่ยเพื่อนแต่กลับขยับตัวไม่ได้อาจจะเป็นเพราะความกลัวก็เลยได้แต่นอนตัวสั่นตาแข็งอยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งคุณดิวมีความรู้สึกว่าฟูกที่นอนอยู่แถวๆข้างลำตัวเนี่มันยวบลงคล้ายมีคนเหยียบอยู่ แต่ว่าคุณดิวเห็นเพียงแค่ความว่างเปล่านะคะสักพักหนึ่งมันก็ยวบลงไปอีกข้างพร้อมกับได้กลิ่นเหม็นเน่าของอะไรบางอย่างจางๆคุณดิวเกรงตัวจนแทบหายใจไม่ออกค่ะเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวอยากจะวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่ว่าอยู่ๆคุณดิวก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดบอกเฮ้ยสวดมนต์เสียงของเพื่อนเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยนะมันทาให้หลุดจากอาการตัวเกรง คุณดิวหอบหายใจถี่ๆประมาณอึดใจแล้วยกมือขึ้นผนมท่องอีติปิโสแต่เมื่อท่องอีติปิโสค่ะปรากฏว่ามีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาบอกว่าตอนนั้นกูก็ท่องแบบนี้แหละแล้วกูก็ไม่รอดน้ําเสียงเย็นยเยือกไปถึงขั้วหัวใจค่ะความอดทนอดกลั้นมาถึงขีดสุดคุณดิวกับเพื่อนวิ่งเตลิดออกจากบ้านทันทีร้องโวยวายเหมือนคนเป็นบ้าไปนั่งหอบกันอยู่หน้าร้านมินิมาร์ปากซอย เช้าวันต่อมาคุณดิวรีบโทรหาจ่าแล้วก็เล่าให้จ่าฟังเรื่องสารพระภูมิแต่จ่ายังไม่เชื่อจนจ่าได้เข้ามาดูด้วยตาตัวเองแต่ยังไม่วายนะคะถามกลับพวกคุณดิวว่ามีใครพิเรนมาถีบสารหรือเปล่าคุณดิวก็เลยถามจ่าถึงประวัติบ้านหลังนี้แต่จ่าไม่ยอมบอกอะไรคุณดิวก็เลยพูดเอางี้ถ้าจ่าคิดว่ามันมีอะไรคืนนี้จ่านอนที่นี่เลยถ้าจ่าอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เงินเดือนของผมทั้งเดือนผมให้จ่าหมดแต่จ่าก็ปฏิเสธค่ะ ส่วนพวกคุณดิวก็ยังยืนยันว่าว่ายังไงก็ไม่อยู่แล้วบอกกับจ๋าว่าจะย้ายไปที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่จ๋าบอกกูว่าแล้วเช้าวันต่อมาค่ะคุณดิวกับเพื่อนกลับเข้ามาขนของออกจากบ้านเสร็จแล้วก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยด้วยความสงสัยระคนอยากรู้เนาะก็เลยถามป้าขายก๋วยเตี๋ยวถึงประวัติบ้านนายทหารป้าก็ทาท่าทางอึกอัก แล้วก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดถึงประวัติบ้านหลังนี้เนี่ยคุณดิวก็เลยส่งเงินให้ป้านเนี่ยสามบาทนะคะป้าแกก็เลยอยอมบอกก็เลยเล่าเรื่องบอกแต่เดิมบ้านหลังนี้เนี่ยนายทหารปลูกไว้ให้ลูกสาวตัวลูกสาวเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพพอถึงวันที่กลับมาอยู่ที่บ้านตัวลูกสาวด้วยท้องประมาณ6เดือนแต่ว่าฝ่ายชายที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ยอมมาดูแลแล้วก็ทําท่าเหมือนจะไม่รับเป็นพ่อ ก็เลยกลายเป็นที่นินทาของชาวบ้านค่ะสุดท้ายลูกสาวทนไม่ไหวผูกคอตายบนขือกลางบ้านหน้าทีวีหลังจากลูกสาวเสียชีวิตนะคะ บ, บ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างแต่ก็ไม่ได้มีการย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกผ่านมาประมาณ7วันคนเก็บขยะได้กลิ่นเหม็นเน่ลเาลอยออกมาจากในบ้านด้วยความสงสยัยก็เลยไปสอดส่องในบ้านดูผ่านซี่ไม้บานประตูปรากฏได้ว่าพบศพผู้ชายนอนตายอยู่ในบ้านในท่านอนพนมมือซึ่งคาดว่า เป็นขโมยที่หัวใจวายตายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาจากเว็บไซต์ a ัน h i p c o m ขอบพระคุณคุณดิวแลวก็เพื่อนด้วยนะคะที่เป็นเจ้าของเรื่องเรื่องนี้ค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ